เราหากันเจริญสติมาหลายปีเนี่ยมันอะไรคือตัวอุปสรรคที่ชัดเจนมันคืออะไรที่ทําให้การปฏิบัติมันเริ่อช้าอ่าอันที่สองอะไรที่มาทําให้ก้าหน้าได้ไวสําหรับคนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยไปหาสาเหตุของมันแต่ละฤทธิตฤทธิตแต่ละทั้งนั้นก็นเรียกฤทธิตแต่ละงานแต่ละงานไปที่ฮาวายนี่เจ็วันนะ ที่ชุมชนที่เขาเรียกว่าวัดพุทธศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ตรงนั้นเป็นหุบเขาแล้วก็น้ําตกออกมาเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ใครต้องการไปลุกเป็นไล้วก็ไปเอาน้ํามาดื่มในคลองกันก็ชุมชนคนลาวก็จัดอยู่เจ็ดอาจจะอยู่สิบวันแล้วมีอาจารย์มงคลเไยเป็นเพื่อนด้วย<ม>ก็ปรากฏว่าได้ผลดีนะเพราะว่าเรามาจัดการว่าตัวอุปสรร์ของการปฏิบัติคืออะไรนี่วันห้า เรามาหาเขานิวรณ์ห้าความขี้เกียจความเงาเงาเขานอนความเบื่อเซ็งความฟุ้งซ่านความลังเลพลุนเนี้ยล้วนจะเป็นตัวบริษัทเบื้องต้นของคนทั้งคนเก่าคนใหม่ว่ามันเนื่องมาจากอะไรน่ะเนื่องมาจากอะไรไก็รู้ในเบื้องต้นชัดๆว่าเบื้องต้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยรู้สึกรักสุข เกลียดทุกข์รักสบายไม่ไม่รังเกียจความไม่สบายอันนี้คือเป็นพื้นฐานเราเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นๆของแต่ละคนเลยว่ามันมาอย่างเนี้ยพื้นฐานทุกคนไม่ว่าคนได้สัตว์ทั้งหลายเนี้รักสุเกลียดทุกข์รักความสบายรังเกียจความไม่สบายอดังนั้นตัวสบายแล้วไม่สบายมันก็ต้องเป็นสาเหตุต้นๆเอาสบายกายไม่สบายกายก่อน แล้วก็มาดูต่อไปว่าทำไมต้นไม้มันนิ่งอยู่กับที่แต่มันไกวแต่ยอดของมันแต่คนนี่เคลื่อนทั้งตัวบางครั้งก็เคลื่อนทั้งตัวบางครั้งก็เคลื่อนครึ่งหนึ่งคือนั่งเวลาเดินจเคลื่อนทั้งตัวทำไมต้องเคลื่อนไหวอ่าเริ่มหาคําตอบ น, น, นี้ไปคือว่าทำวิจัยเหมือนกันเถอะทําวิจัยนั่งนิ่งนิ่งตั้งนิ่งนิ่งเหมือนต้นไม้ไม่ได้ ก็หาว่าทำไมต้องเคลื่อนไหวอ๋อถ้าอยู่นิ่งๆรู้สึกมันอึดอัดมันหนักการเคลื่อนไหวมันถึงกับ ก, การระบายเอาความหนักออกไปอ่าระบายอาความหนักออกไปทีถ้าหากว่าความหนักออกไปถ้านั่งนานๆมันสบายนานๆนไปไงก็รู้สึกง่วงอ่า รู้สึกง่วงแล้วก็เพลินไม่ไม่ง่วงมันก็คิดเพลินคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงอตัวง่วงกับตัวเผลอก็ไปจะตัวเพลินกับตัวเผลอมันทําให้ง่วงไม่ง่วงก็คิดสองตัวเนี่ยคือทีนี้พอง่วงหรือคิด เราก็ไม่อยากเรามาทํากรรมฐานเอ้ะทำไมม ง, ง่วงทําไมมันคิดแล้วไม่อยากให้มัน ง, ง่วงไม่อยากไม่คิดก็รู้สึกไม่พอใจห ง, งุดหงิดก็อยากให้มันอยู่สบายๆอสบา ย, าบายมันก็ให้ง่วงก็พังคิดฟุ้งซ่านพอมันคิดฟุ้งซ่านเราก็ไม่ไม่พอใจอ่าสาเหตุที่หนึ่งที่เรานั่งเพลินเพราะเราชอบความสบายแต่ว่าถามว่าความเพลินความสบายเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบาย ความสบายทำให้เพลินความไม่สบายทำให้เผลออลืมได้เขาละเพราะอะไรมันจะทำให้เพลินเพราะเราไปชอบมันอ่าพอเรารู้สึกไม่ชอบมันเราจะเปลี่ยนมันก็เผลอเผลอเปลี่ยนโดยอตัตโนมัตินะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะเคลื่อนก็ลืมเช็คไปทีละตัวละตัวแต่ละงานน ะ, ะทีนี้อะไรทำให้ง่วงความเพลินช่วเช้า แต่ถึงช่วงเพนเนี่ยช่วงเช้าถึงช่วงเพนช่วงนี้ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทําได้ดีแต่พอหลังเพนไปแล้วไปถึงบ่ายสามบ่ายสีง่วงจัดๆเลยทีเนี้ยเพราะอะไรช่วงเช้าง่วงพรแก้ได้แต่พอมาช่วงบ่ายง่วงแก้ยากเพราะอะไรอ๋อช่วงเช้าเรากําลังดีอยู่ทานอาหารช่วงเช้าก็ส่วนใหญ่ทานไม่มากทานนิดนิดหน่อยทานของเบาๆแต่ช่วงบ่ายอาหารมันหนัก พอเราคิดว่าเราทานน้อยช่วงเพลนต้องทานเยอะมันก็เลยหนักควหนักมันลยเก็เสริมตัวเพลินความง่วงหนักเข้าไปอีกทีเนี้ยมันก็เลยทัง้ท ง, ง, ทงง่วงทั้งฟุ้งซ่านทั้งหงุนหงิดเลยอ๋อตัวนี้ก็เรียกว่านะ่าเงื่อนไขว่าที่เทาทานเนี่ยทานสองมือ้อช่วงเช้าทานแล้วเราก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรแล้วก็นั่งทํางานต่อพอพอทนได้แต่พอมาเจอมื้อเพลนเข้าไปอีกอเราก็เดินหนัก เพราะทานเยอะก็แสดงว่าอาหารเป็นตัวหนึ่ ง, ล ง, งและทำให้เราง่วงจัดและทำให้เผลง่ายก็เลยคอต่อไปไปข้ามไปจัดที่ลัสเวกัสหลังจากเสร็จแล้วยี่สิบยี่สิบยี่สิบเสร็จที่ฮาวาย2ี่สบเอ็ดเดินทางยี่สิบสองจัดลัสเวกัสต่อไปถึงย9 7ิบเก้าเจ็ดวันก็จะมีคนจากลัสเวกัสมินนิโซตามา ปฏิบัติกันในช่วงนั้นเราก็มาวิจัยต่อถ้าอางั้นทานข้าวให้น้อยลงได้ไหมเพราะที่ที่ฮาวายในชุมชนคุณลาเขาโอ้อาหารมาเยอะเนาะเพราะเขาทำอะไรทําสวนที่ฮาวายเหมือนเมืองไทยทําได้ทำสวนผักผลไ ม, ม้อะไรเยอะแยะไปหมดขนกันมามันก็เลยต้องทานต้องทานกันเยอะเพราะอาหารทําไป่ทานเยอะก็เหลือเต็มโตะนะครับพวกเรียก ว, ว่าท้องแตกดีกวของเหลือแล้วทีนี้ <laughs> เป็นพลามขึน้นมาแล้วมันก็ แก้ไม่ได้เพราะกินเยอะนะอามาเวกัสงั้นเราขอว่ า, าให้ทานตอนเช้านิดเดียวได้ไหมเป็นเครื่องดื่มเครื่องผลไม้อะไรเขาก็ไม่ยอมอีกคนที่อยเป็นเจ้าภาพเนะี่ยคนนั้นเป็นเจ้าภาพเรื่องข้าวต้มเช้าคนเอาไม่ได้ตอนเพลนคือคนไทยของเราเนะี่ชอบทําบุญแต่ชนไปปฏิบัติไม่ค่อยเอานะแล้วก็โอ้เรื่องอาหารหวานข้าวนี่เท่าไหร่เท่ากันนะยกกันมาเป็นม่อมอเลยนะที่นี้มันไปตกหนักใคร ถกหนักนักปฏิบัติแตทีนี้ช่วงนั้นก็อากาศมันหนาวเราจะมานั่งข้างนอกองนี้ไม่ได้ก็นั่งไปอยู่ข้างในก็ยิ่แงแคบกว่านี้นะคนสิบสิบห้าคนถึงยี่สิบคนประจำสิบ้าคนไปมาไปใหม่ห้าคนถึงยี่สิบคนนะก็นั่งอัดปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะเมื่อไหวจริงๆ ง, ง่วง ไ, ไหวก็ออกไปข้างนอกสักพักถึงหนาวขนาดไหนก็ทนเราดีกว่าไปนั่งง่วงนะก็ เจออกง่วงจนจบวันที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบย่สิบเก้าสามสิบข้าไปแอรลนตาไปต่อที่แอรลตาพักสามสิบวันวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดต่อคอนอีกพอดีเป็นวันมาฆะเออวิสาขาวันเปิดวัดอ่าไม่ใช่วิสาขาเป็นวันเปิดวัดเขาสร้างเอ่อสลากรรมฐานสามชั้น แอร์ลนตาเนี่ยอาจารย์ไปสันซึ่งรู้สิทธิหลวงพ่อเขมเขียนท่านไปจําที่นั่นก็เลยนิมนต์อัตมาไปอาสอนที่นั่นว่าขอปีหนึ่งขอหนึ่งเดือนได้ไหมที่นั่นสร้างสลกากอุทัยงดไปทึงเท่าไรสี่สิบกว่าล้านนะถ้าไปคิดเป็นเงินไทยนะทังใหญ่มากก็เลยเป็นวันเปิดนั่นพอดีวันต้นปันมุกเวลาปีใหม่ก็เปิดโอรม์คอทแรกก็เป็นคนมามาจากชิคาโก้กลุ่มหนึ่งมาจากอ่า ไอเดนต้านั้นกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏว่าเอาอยิาตกลงกันว่าเราเราทานตอนตอนเช้าเนี่ยเอาเฉพาะเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มจะเป็นน้ําผลไม้น้าําอะไรก็แต่แต่ไปทานตอนเพลิเอาแต่มาลองใหม่เอามาทานตอนเช้ามื้อเดียวตอนเพลไม่ต้องทานลองดูหลายสุดเพราะมีสาเหตุว่าตอนเช้าเนี่ยร่างกายมันสดชื่นมันไม่เคยง่วงทันมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยง่วง ตอนเพลไม่ทานก็แก้ไขกันแบบนี้อ้อปรากฏว่าความห่วงลดลงคนที่ทานาน้ําจุ้ยน้ําผลไม้ช่วงเช้าแต่มาทานแบบว่าขอทานครั้งเดียวค่ำเช้าก่อนกลางวันไม่ทานก็ปรากฏว่าได้ผลดีเพราะอะไรเพราะมันเบาอีกอย่างหนึ่งก็สลาห้องมันกว้างเป็นสลาที่อนเอ น, นตาเนี่ยสลากรรมฐ า, านมันกว้างก็นั่งกันคนละมุม คนไม่เยอะนะก็ประเมินผลแล้วผ่านทุกคนนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเคยปฏิบัติมาแล้วอ่ามาต่อข้อที่สองกลุ่มหนึ่งมาจากอิลลินอยสกลุ่มหนึ่งมาจากฟอลอริดาออกบางส่วนก็อยู่ที่อแอเรนตาข้อที่สองที่นัดจั2สองข้อใช่สองข้อก็อปรากฏว่าเขา เอสามดิยันาสามสามข้อทีเดียวก็ปรากฏว่าเป็นคนแก่ใชเไหมยื่ใหญ่ที่มาจากอินดนะีนอยนะอายุหกสิบเจ็ดสิบปดสิบก็ทำหลมๆหน่อยทำเต็มที่ไม่ได้คนแก่อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้เดยอะคือตื่นเช้ามามาผออกกำลังกายตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าตื่นขึ้นมาก็ออกกำลังกายมีสองสูตร สูตรอาม่าห้าท่าสูตรดูฝ่ายทิเบตไลอีห้าท่าก็เรามาใช้เพราะว่าเป็นการพรที่นิวอากาศมันหนาวเนาะกําลังกายให้วอร์มร่างกายอืมก็ปรากฏว่าช่วยได้เยอะทีเดียวกลางวันไม่หนักไม่หน่วง ไ, ไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะว่าเราออกกําลังกายแล้วก็ใช้อานาปนสติใช้ออกซิเจนอ่าเต็มที่เพื่อให้อาลังกายร ว, วมก็ปรากฏว่าได้ผล แล้วก็เปลี่ยนเรื่องอาหารการกินปรับเรื่องอาหารการกินมาข้อที่สามกลุ่มชิคาโกอีกกลุ่มหนึ่งมาที่สามข้อที่เดียวสิ่ที่แอเรนตาเนี่ยจนมาถึงอ่าสิ้นมาถึงจะยี่สิบอิสี่สิบมกลานะยี่สิบมกลาก็กลับมาเวกัสเวกัสอยจัดที่บ้าน บ้านยมซึ่งเปิดบ้านใหม่มาจากที่บ้านบ้านหลังใหญ่ก็ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดนะก็จัดอีข้อหนึ่งที่บ้านอันนี้เราจัดเต็มที่เลยหมายเขาว่าทานกันมื้อเดียวเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติทั้งวันพราะส่วนใหญ่เป็นนักปฏิบัติเก่าข้อ น, นี้ดีที่สุดได้คําตอบว่าโอมันเป็นอย่างนี้เองว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเรามันมันติดเพลิน น่าติดเพลินคือนั่งนานๆแล้วไม่อยากเปลี่ยนมันนั่นั่งสึงนั่งสบายก็ว่าได้อารมณ์ก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่หารู้ว่าทำด้วยความเพลินมั น, นึกถึงในธรรมจกกักรปปุระนัสสูตรว่าผู้ปฏิบัติพึงละสุดทางสุขดวงสองทางคือความเผลอความเพลินคือกามสุขรลิการนโยกอ่า และความเพลอคืออัตต์กิลมัฐานโยคความเพลินนั้นเกิดจากสุขเวทนามากเกินไปความเพลรอเกิดจากทุกเวทนามากเกินไปนะอัตกากามสุขานิการุโยโคแล้วก็อัตต์กิลมัฐานุโยโคให้ <c oughs> ระวังสองส่วนนี้ให้ละทั้งสองทางนี้ทางสุดโต่ทั้งสองทางนี้คือสบายเกินไป <c oughs> เพราะคนส่วนใหญ่ที่เราทํามาหาหกินประกอบอาชีพทํำอะไรก็ตามเราต้องการความสบายใช่ไหมต้องการความสุขเราสละเวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติเพื่อให้เกิดความสุขสบายแต่ล้พระพุทธเจ้าบอกให้ละความสุขยังไงท่านไม่ได้บอกให้ละความสุขท่านบอกให้ล ะ, ค ว, ละความเกินสุขเกินไปสบายเกินไปท่านนั้บอกว่าละส่วนเกินของมันซึ่งพราะพ่อพุทธทาสเอามาเป็นคําพูดที่ฮิตเลยว่าให้ ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะส่วนเกินของชีวิตนะ o v เ r c o n s u m p t i o n เสร็จแล้วขณะเดียวกันพวกที่ละความสบายไปเอาอีกสุดตรงทรมานตัวเองที่เนี้ยทำให้เต็มที่เลยทำทรมานให้เต็มที่นั่งตลอยสามชั่วโมงห้าชั่วโมงโอดข้าวทีละ ว, วันสองวันถึงอดข้าวเป็นหลายวันเพื่อที่ทรมานร่างกาย เพราะถ้าหากว่าเราไปติดความสบายกิเลสมันเกิดเพราะมันมันก็ตีโตไปอีกเต็มที่เป็นตัวทําตัวเองให้ลําบากทรมานตัวเองซึ่งอันนี้พระองค์ก็ทํามาแล้วเหมือนกันทรมานตัวเองเกับแย่มากเกินใช่ไหมปางอะไรนะปางบำเพ็ญทุกข์กิรยิยาเหลือแต่ชื่อโครงฉันบอกท่านหลังจากท่านพี่สูจนะอลอทางสุดตรงทั้งสองทางนี้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมในที่สุดจะทํำไงให้มันมันพอดีอะ่ะ ปรับสบายก็มันพอดีอย่าให้มันสบายเกินไปถ้ามันไม่สบายก็ปรับให้มันพอดีอย่าให้มันไม่สบายเกินไปเราถึงเรียกว่าพอทนสบายแต่พอทนไม่สบายแต่พอทนอส่วนใหญ่เวลาเรารู้สึกสบายสบายตาไปดูอะไรชอบเห็นอะไรชอบอยากจะดูอย่างนั้นแล้เก็บผู้รู้คนนั้นไว้นะ พอ Dante, เราเห Safe, ็นมันสวยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยเพราะรู um, od, yeah. well <t <t ้สึกแล้วสวยสบายตาเราก็ไปติดละสองสบายหูเราก็อยากจะฟังเสียงที่พบเพราะฟังเสียงที่ถูกถูกหูฟังเสียงที่ทําให้เราฟังแล้วสบายหูนแล้วก็อยากจะฟังบ่อยๆแต่เราถึงเสียงชมเสียงยกย่องเสียงดนตรีลูกพุ่งลูกกลุงดนตรีสากล ร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่แต่เพลงแล้วก็อัดเลาก็เก็บกันไว้ความสบายหูก็ทําให้เราติดอีกอันที่สามอันที่หนึ่งสบายตาอันที่สองสบายหูห แ, ล 3, 1, ย 2, ยหแล้วก็ไปยืดติดเกินอันที่สามสบายอะไรสบายจมูกอ่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่มันมีกลิ่นทั้งหลายเนะ่ะให้กลิ่นทั้งธรรมชาติรู้สึกมันไม่ทันใจต้องไปซื้อกินอะไรกินน้ําหอมจากไหม จากฝรั่งเศสวมาจากที่ไเอาไว้บนเตียงหัวนอนในรถแม้แต่ในรถก็ต้องมีคนนหอมใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสบายอะไรความสบายเฉาหมูถ้าได้กินเหม็นกินตัวตัอะไรหน่อยไม่ได้เนีเบือนหน้าหนีเลยว่างั้นแต่แม้แต่อาหารก็ต้องสบายเฉาหมูกแล้วก็สบายลิ้นด้วยสบายลิ้นนี่ยิ่งหนักเลยใช่ไหมอาหารที่จะมานั่งกินแบบอดีบเปเดีเนี่ยมันต้องปรุงให้สุกต้องปรุงให้อร่อยะจะเอากินข้าวเฉย ได้ไหมเคี้ยวผลไมาเ้เฉยๆเคี้ยวผักก็เคยไม่ได้ต้องปรุงต้องใส่ต้องอะไระให้อร่อยเพื่อสบายลิ้นสบายกายเราก็ได้นอนนานเท่าไหร่ยิ่งดีอนไอ้นอนเฉยๆได้ห่มผ้าห่มผ้ายังไม่พอได้นอนกับเพื่อนอได้ห้องกับเพื่อนได้กอดลูกได้อุ้มลูกเราก็หาความสบายกายใส่ตัว ได้อาบน้ําได้ใส่เสื้อ ส, สวยๆเวลาอากาศร้อนๆก็ได้ได้เปิดแอร์เย็นๆได้เปิดพัดลมเย็นๆถ้าอากาศหนาวๆก็ได้เปิดฮีทให้อุ่นได้ใส่เสื้ออุ่นเห็นไหมตั้งแต่สวัสด้าความสบายตั้งห้าหกทางคนที่รับรู้ถึงความสบายไม่สบายเหล่านี้ได้แก่ใครพอจะนึกออกมาใครเป็นผู้รับ ผลด้วความรู้สึกสบายไม่สบายใจใช่มอ่าใจเป็นผู้รับรู้แล้วร่างกายมันรู้สึกไหมว่าความสบายไม่สบายมันรับรู้ไหมไม่รู้ตายไปแล้วไม่มีให้รู้อตายไปแล้วเราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเราจะรับรู้แต่เมื่อเราเป็นเพ่นเทึ่งเขาเรียกว่ารูปกับนามตายเรียกว่าถ้าตายไปแล้วเรียกว่าอะไรมิชิยูปินคนตายไปแล้วเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่ารูปนะไม่เรียกว่ารูปนามนะ แล้วก็เป็นศพเลยใช่ไหมเราเขามาเรียกว่าศพอ่ะศพมาจากอะไรมาจากคําว่าสุภาสุภาแปลว่างามใช่ไหมที่เรียกว่าศพเพราะมันเป็นดอกไม้ที่งดงามของพระอรหันต์แต่ถ้าดอกไม้ของปุถุชนเราเรียกว่าอสุภาเป็นดอกไม้ของหันต์แต่ถ้าสุภาเป็นดอกไม้ของผู้มีปุถุชนแต่ศพของไม่สวยงามมันกลับมาเป็นของสวยงามสําหรับของผู้ เข้าถึงธรรมก็เรียกว่าสุขเป็นสวะเป็นมาจากคำว่าสวะสวะมันเป็นสวะของชีวิตแล้วอเป็นอาสวะเป็นสวะสวะคือขยะนี่เงี้ยมนหมดสภาพแต่กลายเป็นของชนิดดีที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้พิจารณาเห็นความเป็นอันนี้จังเข้ามัอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะ ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็มาเอาตัวรู้สึกเนี่ยเอาตัวรู้สึกที่ชอบไม่ชอบมาพิจารณาเพราะนั่นเพราะมันเป็นตัวรับรู้แทนที่จะไปตามด้วยความสบายไม่สบายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทันไหมมันมาทีเดียวทั้งหลายทางอใช่ไหมตาดูหูฟังจมูกรูมกลินดินเล็บรถไก่สัมผัสมันมาหลายทางกำหนดไม่ทันหรอกเพราะนั้นไปกําหนดที่เดียวเลยกําหนดที่ไหนกําหนดที่ผู้รู้ใจ มันรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไปกําหนดที่นั่นทีนี้พอมานําไปวิเคราะห์แบบนี้แล้วให้คนแต่ละคนไปตามแล้วก็ให้บทเรียนไปแต่ละวันสมมุติว่าตอนเย็นวันเอาตอนเย็นเช้าวันพรุ่งเนี้ยเราก็จะให้บทเรียนว่าวันนี้ไปศึกษาอะไรกันทุกคนไปทําะแล้วตอนเย็นก็มาสอบอันนี้คือหลักสูตรใหม่นะตอนเย็นก็มาสอบเออไม่ชียุพิน์ ตอนเช้าให้เรื่องไปดูสุขเวนะทนทเวาเนะ น, นี่ยกับผู้เคยทนาเนี่ยอันไหนมันทนได้ง่ายอันไหนมันทนได้ยากก็สอบถามกันไปแต่ละแต่ละคนแต่ละคนวามรู้สึกสบายกับไม่สบายเนี่ยอันไหนรู้สึกแก้ไขออกง่ายอันไหนแก้ไขออกยากอ่เพราะอะไรเพราะเราจะต้องมาศึกษาเหตุของทุกทุกต้องศึกษาเหตุของทุก ต้องละใช่ไหมแต่ตัวทุกเนี่ยต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องวิเคราะห์ต้องทําความเข้าใจกับมันนั่นทุกต้องศึกษาต้องเข้าใจความสุขมากเกินไปความทุกข์มากเกินไปมันเป็นเหตุของทุกให้ละที่นี่จะละได้ยังไงละจะละทุกหรือละเหตุของทุก <S S S S S ก็ไปละเหตุเหตุของมันคืออะไรถ้ามันเกิดกับกายกายไม่สบายต้องศึกษาใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ศึกษามันเป็นยังไงถ้าไม่ศึกษาความเกินต้องเกิดขึ้นความขาดต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปตามกฎของขาดได้เกินเป็นกฎของอะไรเป็นกฎเกิดขึ้นกับอะไรไตรลักษณ์ใช่ไหมอา น, นิจจังทุกขงังนาตาทําให้มันขาดแล้วมันเกินนี่แต่ถ้ามันขาดมันเกินทางกายเนี่ยเรารู้ใช่ไหมอย่างนั่งเนี่ยนั่งนานเกินไปเป็นยังไงไม่สบายใช่ไหมแล้วทาไง อขยับอ่ารู้แล้วมันมันออกโดยอะตุรอทัองมันนะถึงเราไม่ตั้งใจ ม, มันก็ขยับของมันเองหายใจเข้าเราไม่ออกรู้สึกรู้แล้วทําไงก็ที่รีบหายใจออกเนี่ยมันขาดหมายความหายใจเข้านานเกินไปมันขาดเอาชีเยน็นก็หายใจออกหายใจออกนานเกินไปไม่เขา้ามันขาดเอาชีเยนอีกก็ตึงรีบเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ดํารงอยู่ด้วยการเติมส่วนขาดได้ส่วนเกิน แต่หายใจลื้อเกินไปนานๆถึงจะออกเนี่ยไหวไหมเยอะเกินไปอีกเกินอีกแต่ออกไปนานๆยังไม่ต้องสู่เข้าไหวไหมขาดอีกเห็นไหมเราส่วนขาส่วนเกินทําให้เราไม่สบายอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะปรับส่วนขาดใดส่วนเกินคือหายใจเข้าออกกีววิหายใจเข้าหายใจออกกีววิหายใจเข้ากีววิ สมมติว่าเราหายใจเข้าสามวิหายใจออกสองวิหรือหายใจเข้าสองวินาทีออกสามวินาทีแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่หายใจเข้าสักสิบวิหายใจออกสักยี่สิบวิค่อยเอาอเข้าไปรู้สึกเป็นไงขาดและเกิดเลยใช่ไหมอึดันล ะ, ะนานๆค่อยเอาเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูอคำว่าให้ละ ส่วนสุดตง่งท่านใช้คําว่าสุดตรงอันอันอันอันโตนะอันโตทุกโขคือหมายความว่ามันสุดโตเป็นอันติมานะ่ามันเกินมันถึงที่สุดของมันมันเกินไปสุดเกินไปดังนั้นเมื่อมาปรับอย่างนี้ก็ปรากฏว่าให้นักปฏิบัติคนไหนที่มีศรัทธาและเชื่อตามที่คําแนะนำเอาไปทำปรากฏว่าได้ผลแต่บางคนดือ้อไม่ยอมเอาก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน อาจจะตาตามพอดีของผมอะอะไรเนี่ยที่มันไม่พอดีตามที่พระพุทธเจ้าบอกคือนั่งนานๆขี้เกียจเปลี่ยนสบายอย่างเงี้ยอยากจะแช่งเงี้ยนะมันสุกเกินไปเพลินใช่ไหมเพลินแล้วก็ไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงไม่ง่วงก็สลับก็อยู่อย่างนั้นนี่ก็เลยว่าสำหรับคนที่ตั้งใจทำแล้ววิเคราะห์ทำให้ถูกต้อง แล้วก็ยังไม่แน่ใจก็ไปถามอาจารย์ก็มาช่วยกันแก้แต่บางคนทำมานานแล้วมันเนี่ะทำเนี่ยก็แค่นี้แหละก็ทาไปตามที่ตัวเองต้องการก็ไปติดอยู่ของเดิมนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็คือเงื่อนไขว่าคนที่ชะาเนิ่นช้าก็คือคนที่ไม่แยบคายและไม่มีศรัทธาที่จะทาตามบทเรียนอย่างถูกต้องก็จะแช่อยู่แค่นั้น นั่งเพลินก็ไม่ยอมเปลี่ยนหรือนั่งเพลินแล้วแช่ตั้งนานแล้วมันหนักหน่วงก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็ตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่า อ, อนั่งเพลินเพื่อให้มันเห็นทุกข์ทุกหนงังหนักมันจะได้พ้นทุกข์อะไรบ้างน้อง น, น, น, นั้นน่ะนะก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นแหละเพื่อจะได้สร้างความอดทนบา้านั่งนานๆเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวจะไม่มีความอดทนอา้าวสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาอีกวันนี้แต่ท่านบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้อะรู้วพื่ออะไรรู้เพื่อจะเห็นว่ามันขาดหรือมันเกิน ไม่ใช่รู้เฉยๆไนงะถ้าขาดทําไงเติมเข้าไปถ้ามันเกินไปไงเอาออกเนี่ยที่กําหนดรู้กําหนดรู้อย่างงี้แต่ถ้าหากว่าความขาดความเกินของร่างกายเนี่ยมันเอาออกง่ายแล้วมันเติมง่ายเข้สัมผัสง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ยอมมาออกความขาดและความเกินทางกายมันเข้าไปสู่ไหนสู่ใจความขาดความเกินถ้าไปสู่ในส่วนความเกินของสุขเข้าไปสู่ใจมันกลายเป็นความชอบ ความเกินของทุกข La ์ที่มันเข้าไปสู่ใจแล้วเรียกว่าไม่ชอบแน่ตัวชอบไม่ชอบนี่เป็นเหตุเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยตัวรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยตัวรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยย้ำถามหลายครั้งความรู้สึกสบายไม่สบายทางกายเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยฝากการบ้านไว้คิด ไม่ต้องตอบตรงนี้ก็ได้ขอให้ทุกคนรู้สึกเป็นนักเรียนใหม่นะโอ้ผมปฏิบัติมานานหลายข้อแล้วเข้าก็หลวงพ่อมาหลายข้อแล้วผมไม่จำเป็นต้องตั้งท่าใหม่ฉั้นเข้าเกี่ยวหลวงก็ลงอันนี้เลิกไปก่อนก็แล้วกันถือว่าตั้งต้นใหม่นะอันนี้เป็นทฤษฎีใหม่ที่หลวงพ่อไปทดสอบมาว่าเออมันไวกว่าเดิมเยอะเลยใช่ตัวเดียวมั้งคะฮะใช่พรุ่งนี้ให้มาหาคําตอบแต่คืนนี้เอาไปคิดก่อนเยีาเพิ่งตอบไวปนะ <Okay. S 1> ขอทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ความรู ai ai é, ai ai ้ส <laughs> <ả> <laughs> e, uh, ึกสบายกายและไม่สบายกายเนี่ยถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยเล็งหายมจบเยคจวบไม่ตรองมองตาจะมาเดี๋ยวได้ถามแน่จะถามอะไรเดี๋เล็งเสร็จคจบทุกทีถือว่าเป็นนักเรียนเก่านะถามยุ่มลันดีกว่าความสบายกายไม่สบายกายถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยไม่ทุกขไม่สมุทับ ไม่ได้ถามว่าสุขหรือทุกข์แต่ถามว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยแต่าคาถามไม่ตรงนี่ถือว่าไม่เข้าใจเอลิงใส่หนะออ่ะไม่ชีปฏิบัติมานานนะความสบายกายและความไม่สบายกายเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยไม่สมุทัยกายนะกายนี่เป็นทุกข์อ่ะก็ตอบว่าทุกข์สิถามว่ากายไม่ได้ตอบถามใจความสบายกายหรือไม่สบายกายเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัย เป็นทุกข์ตับชัดๆนะมันใหญ่นะเอาความสบายเถอทำไมถือว่าเป็นทุกข์อ่ะความสบายกายและความไม่สบายกายถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยต่อวิธี แ น, น่นชักลังเลใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเดานะคือหมายความว่ามั่นใจในคําตอบใช่ว่าเดาเอานะถ้าหากว่ามั่นใจในคําตอบจะย้ําเท่าไหร่คุณก็ย้ำยืนหยัดอยู่ในคําตอบเดิมนี่เขาเรียกว่ามั่นใ่แต่พอพอสับเปลี่ยนประเด็นไปหน่อยชักไม่มั่นใจนี่เรียกว่าเดานะวิธีแก้ตัวอีกทีความสบายกายและไม่สบายกายถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยเป็นทุกข์มั่นใจ อ่าเออต้องอย่างนี้พอโยกประเด็นสับขาปลอกไปมาชัากไม่มั่นใจอันนี้ไม่ได้ความสบายกายทําไมถือว่าเป็นทุกข์ความสบายกายเนี้ยมีจฉาถามว่าความสบายกายและความไม่สบายกายถือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเปสมุทัยมิจฉาตอบว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมความสบายกายถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นเวทนาเวทนาในกายมีกี่อย่าง อะที่หลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยมันมีกี่อย่างเนี่ยสองอย่างใช่ไหมอ่าก็คือความสบายและความไม่สบายสองอย่างเนี่ย <im anas ido> แต่อย่างที่สามเนี่ยถ้าเราสบายก็ไม่รู้ไม่สบายก็ไม่รู้มันกลายเป็นอย่างที่สามแต่ถ้าเราสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้นี่คืออย่างที่สามมันมีสามหนึ่งความรู้สึกสบายสองความรู้สึกไม่สบายสา ม, ควา ม, ส ม, สามความรู้สึกไม่รู้ว่า สบายหรือไม่สบายสับสนไหมอีกทีในเรื่องกายนะหนึ่งความรู้สึกสบายกายสองความรู้สึกสไม่สบายกายสามไม่ได้รู้ว่าเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเป็นอันที่สามเรียกว่าทุกข ม, มสุ ข, ขเวทานาะสุขกเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาทุกขมสุขนั่นหมายความรู้ทุกชั้นสบายชั้นก็ไม่โนไม่สบายชั้นก็ไม่รู้ นี่ตัวนี้เป็นอนัตตาตัวรู้สึกสบายเป็นอ น, นิจจตัวรู้สึกไม่สบายเป็นทุกขังตัวรู้สึกไม่สนใจทั้งสบายและไม่สบายเป็นอนัตตามีสามความรู้สึกเท่านั้นเวลาเราสวดว่าไงสุขขังเวทนาเวทยะมาโนเมื่อเซวเวทนาที่สบายอยู่ก็ให้รู้ ช, ะชะัดๆสุขังเวทนังเวทียามีติ ประชาชนาให้รู้ชัดๆว่าเออตัวนี้สารู้สึกสบายนะบาลีเขาว่านะนี่ยกหลักฐานมาหน่อยเที่ยวหลังนี่มั่วไม่ได้ต้องมีตัวบทยืนยันชัดเจนว่าอันนี้มันมาจากอันนี้นะมันมั่วเ อ, องเปคําสอนไม่ใช่คำสอนผู้ที่เจ้านะเดี๋ยวนี้มันเยอะตัวประเทศสอนไปตามทิศถี่ของตัวเองแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งทุกคุณพูดนะ่ะถูกต้องตามผู้เจ้าสอนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาเขาโจทย์เขาทวงกันเยอะๆเนี่ยเป็นปัญหากันทั่วประเทศเห็นไหม เอาควมสอนพระยาบตรความหมายเอาเองเนี่ยม voilà. ันมีปัญหาพอรู้สึกไม่สบายว่าทุกขังเวทนางเวทียะมโนเมื่อรู้สึกไม่สบายสุทุกขังเวทนางเวทียามีติไปใช้ก็ให้รู้ชัดว่ารู้ชัดเจาะละเอีดตรงนี้ฉันไม่สบายนะให้รู้ลงไปชัดชัดไม่สบายกายอันที่สามทุกขะมื่อุกขังเวทนางเวทียะมโนเมื่อรู้สึกไม่ชัดว่าทั้งสบายทั้งกายก็รู้สึกเ่มไม่ชัดให้รู้ แล้วก็อุกรมสวงเวทนางเวทียามีติปิชายนะีถ้าสุขก็สบายก็ชัดก็มาได้รู้ไม่สบายชัดก็ให้รู้ลงไปชัดๆว่ามันทั้งสองอย่างมันไม่ชัดอย่างสมมุติว่านั่งเนี่ยนานๆเนี่ยรู้สึกหนักเลยใช่ไหมไม่สบายแล้วนะทีอาตมาลุกขึ้นขอโทษรู้สึกไม่สบายรู้สึกสบายไหมดินคือรู้สึกสบายไหมไอตอนที่ลุกขึ้นใหม่ๆเนี่ย ความรู้สึกนั่นเขาเลือกอะไรสบายหรือไม่สบายตรงนี้มันไม่ชัดทั้งอันเลยความสบายก็ไม่ชัดความสุขก็ไม่ชัดความทุกตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าตามันเป็นช่วงต่อเชื่อมระหว่างสุขกับทุกข์ไหลาหากัตรตัวนี้น้ำร้อนหรือน้ำเย็นแก้ไขแก้วมันนะแต่ในช่วงที่เราเทน้นำร้อนผสมน้ำเย็นเนี่ยเขาเลือกน้ำอะไรน้ำอุ่นร้อนก็ลดระดับลง เย็นก็มาปสมกับน้ำร้อนลักษณะนี้เขาเรียกว่าอทุกขมสุขจ่ว่าร้อนก็ไม่ใช่จะว่าเย็นก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าน้าอะไรน้ำอุ่นเ น, นีน่มันมีสามน้ำนะหนึ่งน้ำร้อนสองน้ำเย็นสามน้ำอุ่นทีนี้มันมีอีกน้ำหนึ่งน้ำที่ไม่อุ่นไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อน เรื่องน้ําอะไรยืมชฉลเรียกว่าน้ําเปล่าไม่งงไมาได้ในะของธรรมดานะัที่สุดแล้วนะ <c oughs> เรียกว่าน้ําเปล่าฮ <c oughs> ทีนี้เอามาก็เอาคุณไปดูบทเรียนวันนี้ยดูขามความรู้สึกสามความรู้สึกนะก็ไปดูอันนี้คือให้บทเรียนแต่ละวันละวันไปแล้วตัวเย็นเราก็มาเช็ค ก, กันทำอย่างเงี้ย ซาสี่วันในเจ็ดวันนะทำเนี้บทเรียนสมสี่วันแล้ววันที่ห้าหกเจ็ดเป็นวันที่เก็บอารมณ์เงียบอ่าไม่เข้าวไปดูใครไปรวลแก้ปฏิบัติกันไปสามวันคุณไปนั่งดูใครของมันแล้วในช่วงนั้นการสอบอารมณ์เราก็จะไม่สอบกันในศาลาละมาก็จะไปเดินสอบอในที่เพราะนั้นที่นี่มันเมืองไทยแล้วดีอย่างนี้เม่อไทเรามีที่กว้าง อากาศก็สบายร้อนก็พอโนได้หนาคนหนึ่งแต่ที่มีการหน้านี้หนา้าหนาวต้องอยู่แตในอาคารอย่างเดียวไม่สะดวกนะฮ ong ไทยเราเงื่อนไขเอื้อกว่านะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เอามาก็มาได้ข้อสรุปว่าโอ้เรามองข้ามไปทำมาจากกัปปวัตนสูตรผู้ที่เจ้าท่านตรัสไว้พร้อมหมดละแต่ท่านเอาไปขยายความตอนไหนตอนที่ท่านไปแสดงธรรมให้กับชาวกรมมาสธรรมะ ท่านไปขยายความเป็นสติปัฏฐานสูตรนั่นตรงนั้นเราก็จะเอาตัวนั้นเข้ามาช่วยคือสติปัฏฐานสูตรท่านขยายความดังนั้นวันพุ่งนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกัปตันนสูตรวันอะไรมาค้าบูชาพวกเราโชคดีมากเลยนะตรงเงินมาข้าบูชาเลยเข้าเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้น ง, นงานนี้จะต้องมีคนได้ดวงตาเห็นธรรมไม่มากก็น้อยแหละ เหมือนเป็นใครจะเป็นอัญญากุณธญญากรท่านนั่นเองนะเจวันนี้นะและ้วแ้วดวงตาเห็นธรรมก็พอใจแนละ้วให้ได้ดวงใจเห็นธรรมนี่นะจากนั้นก็จะไม่หลงทางตลอดชีวิตแหละถ้าโชคดีที่สุดก็เก่งพระอัญญากุณธัญญาหน่อยก็บรรลุธรรมไปเลยนะเพราะฉะนั้นในตัวคำว่า ส, สุตงเนี่ยหนึ่งสบายเกินไปสองไม่สบายเกินไปต่างก็ ต้องละเพราะมันเป็นสมุทัยสมุทัยทางกายเนี่ยสมุตสมุทัยทางกายท่านไม่ได้บอกให้ละเพราะอะไรเพราะมันลกของมันเองแม้แต่สุนัขมันนอนก็ที่มันนอนได้ไปนะเดี๋ยวมันก็ลุกหนีไปใช่ไหมเพราะมันมันเหนื่อยมันก็ลุกหนีไปรามคาอไรแม้แต่สัตว์มันยังแก้ได้ในเรื่องของไอ้สุขทุกข์ทางกายนี้ที่มันเกินนี่ยนะไอเรานอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทักงาวันสามคืนไหวไหม พูดสบายได้เลยฉันจะนอนสักสามวันเนี่ยยังจบเคยบ้างไหมมันึูเบาสามวันสามคืนเลยเนาะนะมันไม่ได้อันไหนที่มันนี้แ้่มันเึินแล้วมันก็ไม่ดีทั้งนั้นน่ะมันสุดโต่งน่ะอาหารเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยจานละหมื่นเนี่ยกูจะนั่งทานมันทั้งวันเนี่ยไหวไหมไม่ไหวที่ไหนอ่ะเนะยแค่ชั่วโมงเดียวไปไม่รอดแล้วเนี่ยไม่มีรถไม่มีชาติแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความหาความพอดีถ้าเราหาความพอดีทางกายคือไม่สุขเกินไปไม่ทุกเกินไปแล้วก็รู้จักวิธีบำบัดได้ตลเวลาตรงนั้นเราหาทางสายกลางเจอละอย่าลืมนะเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของหยาบหยาบง่ายง่ายชัดชัดไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเรารู้จักปรับให้พอดีได้เนี่ยตรงนั้นเะ การดับทุกข์มันจะเกิดขึ้นการการที่การละสมุนไรมันจะเป็นทั้งเดียวทั้งสี่ตัวเลยนะแค่รู้จักปรับกายให้พอดีเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้ทุกพอรู้ทุกปรับกายให้ความพอดีของไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปมันจะไม่เป็นเหตุให้พอใจไม่พอใจเนี่ยไม่มีเหตุคือความพอใจหรือพอใจชอบหรือไม่ชอบจะไม่มีเพราะความสบายไม่สบายทางกายถูกปรับให้พอดี มันจะเกิดความสมุทัยไม่เกิดคือไม่เกิดความพอใจนะึกไม่ลอยเฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้อาการสบายนึกไม่สบายรู้เฉยเฉยภาวะที่เฉยเฉยเนี่ยนิโรธเกิดแล้วคือดับทุกสมุทยัยทุกทางใจเนี่ยดับล้วแล้วลเราก็พยายามปรับไปปรับมาให้พอดีอยู่นั่นเป็นเป็นมักใช่ไหมเพราะฉะนั้นแค่เข้าไปปรับร่างกายให้รู้เฉยเฉยเสมอ ม, มันเป็นอริยสัจสีในขณะเดียวกันเลย อันนี้มั่วไม่ใช่มั่วนะไม่ใช่มนะั่วแล้วคุณดูให้ดีนะความที่บอกบืงต้นว่าความรู้สึกสบายกายแล้วเราไปแช่เราไปเสพมันเกินแล้วใช่ไหมเพราะผอใหญ่สมุทรไทยเกิดแล้วแในขณะเดีดวยวกันความรู้สึกไม่สบายฉันก็แช่ฉันที่เกลียดเปลี่ยนหนักแมาก็ทนเดาแต่ใน ใ, น ใ, นใจอึดัดความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมสมุทรไทยเกิดแล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีระยะกันปรับแบบสบายๆเรื่อยๆสมูทสมูทเนี่ยสบายๆไม่ถึงกับว่บาบ่อยหรือไม่ไม่ถึงกับว่ า, วาแช่ปรับเรื่อยๆคุณปรับนั่งปรับไปทั้งวันก็สบายเพราะอะไรความมันหนักทางเดียวหนักทางกายปรับได้เรื่อยๆส่วนเกินมันไม่ไปค้างที่จิตถ้าส่วนเกินมันไปเหลือจากกายแล้ว ไ, ไปค้างที่จิตไอ้โดยค้างที่จิตเรียกว่าสมูทัย แต่เราปรับเฉยๆไอ้ตัวส่วเกินไม่ค้างที่จิตนี่รดเกิดใช่ไหมไอ้ตัวพยายามปรับเรื่อยๆเป็นมรจบไหมย้ายสีสีทันไหมทนันยังจวดทันนะโอเคคนไหนคนใหม่ยกมือขึ้นงานนี้ใหม่สุดๆเลยกี่คนหนึ่งโยไม่ใช่ใหม่ในสามสิบปี <laughs> อย่าแอบยกมือว่าเป็นคนใหม่ <laughs> เอายกใหม่ยกให ม, ม่คนนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเข้าใหม่เราเข้าใหม่เรเข้าใหม่เหรออ๋อปฏิบัติมานานแล้วแต่ว่าเรพบหลวงพ่อใหม่เองแค่เนาะครั้งแรกโอเคสิ่งที่หลวงพ่อว่ามาทั้งหมดคนใหม่ทั้งหมดที่สิบกว่าคนเนี่ยเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจได้ไหมหรือสับสนเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะถ้าไม่ได้หลวงพ่อจะต้อง พูดอีกครั้งหนึ่งคนพวกนี้นะสำหรับคนใหม่นะแต่สำหรับคนที่ผ่านมาแล้วยังไงก็แจมแจ้งนะใช่ไหมอ่าแจมแจ้งแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้หลก็จะเน้นแต่คนใหม่คนที่เคยทำมาแล้วหลวงพไม่เน้นแล้วถือว่าเข้าใจได้แล้วเอาไปทําอย่างเดียวทําอะไรไปนั่งปรับความพอดีของสุขทุกข์ได้มันเท่ากันแค่นั้นถ้าคุณไม่ทําก็ถือว่าคุณไม่ฟ f ล l l o w นะคุณว่าไม่ไม่เอาแล้วคือเปน็นท่งปรับความพอดีก็ไม่พอดีท้องการเนี่ยยากไหมจําลัน ไม่ย า, ไมยากเลยใช่ไหมแล้วทําได้ไหมแต่พรุ่ง น, นี้ถ้าคุณไม่ทําลงพ่ายเล่นงานแน่นะของง่ายๆคุณยังไม่ทําคุณจะไม่ทําอะไรกีเนี้นะยจะต้องด่ากันแบบนี้เลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไปนั่งปรับแล้วมันสบายอะ่ะมันสบายแล้วมันก็ไม่ทุกข์คำว่าสบายที่นี่คุณต้องยากตรงไหนยากตรงที่เราไปเสพมันอ่าตรงนั้นนะ่ะเผลอว่าเกินแล้วถ้าสบายเกินแล้วเสพสบายแล้วก็โอ้ ไม่อยากเปลี่ยนอะเพลินนะ น, น, นั่นต้องไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะสำหรับคนที่มาใหม่นยะแต่สำหรับสาหรับคนคนที่เคยไปดู บ, บ้มาแล้วแต่สำหรับคนใหม่นะเนาะพต้องย้ำหลายๆครั้งเพราะหนึ่งศรัทธายัางไม่มัน่นคงสองความเพียรนี่ไม่เคยหนักหน่วงเพราะว่าที่เราต้องมีความเพียรมีศรัทธาเพื่ออะไรเพื่อให้นะเพื่อให้เรา ไปเหนือความเกินทั้งสองส่วนไปละความเกินทั้งสองส่วนเพราะชีวิตที่เรายังไม่เคยมาศึกษาเรื่องนี้เราอยู่กับส่วนเกินของสุขทุกข์ทั้งนั้นมันจึงทำให้เราทุกข์ไงคำว่าสุขเป็นทุกข์อันหนึ่งเขาเรียกว่าทุกข์โดยละเอียดคำว่าทุกข์ก็คือสุขอันหนึ่งแต่มันเป็นสุขที่น้อยลงไปคำว่าสุขคือทุกข์อันหนึ่งคือสุขที่มันความสบายที่มันน้อย ความไม่สบายที่มันน้อยลงไปก็เรียกว่าสุขแต่ความทุกข์ก็คือความไม่สบายที่มันมากขึ้นแต่ความไม่สบายที่มันมากขึ้นเรียกว่าทุกข์แต่ถ้าปรับความสบายไม่สบายแต่พอดีเราไม่เรียกว่าสุขเราไม่เรียกว่าทุกข์เราเรียกอะไรเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าให้เน้นให้พบจุดนี้จึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้น อ่าอันนี้ไม่ใช่ลอจิกทางตากการรกะนะคุณฟังให้ทันกันแล้วกันดังนั้นเรื่องนี้ไม่ยากดังนั้นสมัยคำพูดการพุทธเจ้าแสดงธรรมดีคุณเข้าใจทำบรรลุธรรมเป็นเยอะๆนี่นะก็คืออย่างนี้แหละอ่นะคืออย่างนี้คือมันเรื่องไม่ยากแต่ที่ใบสอนกันทําให้มันของง่ายเป็นของยากเพราะคนสอนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะนะ นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่หลวงพ่อเอาเรื่องเนี้ยไปทดสอบที่มิกาทําปรากฏว่าเที่ยวนี้เก็ตกันหมดเลยเพรา ะ, ะนั้นในปีต่อไปแทนที่หลวงพ่อจะไปสองรอบก็จะไปรอบเดียวพอไปรอบซัมเมอร์รอบวินเตอร์นี่ไม่ไปแล้วนะถ้าไอ้คนคนไหนที่ต้องการที่จะทําจริงๆในรอบวินเตอร์มาที่เมืองไทยเ<า>ออ่ฟังไว้ก่อนนะ <laughs> หลวงพ่อคนไหนว่านี่มนเราไม่อดไม่ได้ยังอย่างอันนี้เสียอย่างเดียวนี้นะแต่ว่าที่ต้องไปเซาเสมอเพราะอะไรเพราะที่เอนต้าเขาทาอาคารนั่นถวอายสามชั้นที่ว่าเนี่ยนะขอหลวงพ่อเดือนหนึ่งสีสิต้องสีิบล้านให้ไปโอ้โหเขาเสียใจแย่าปีหน้าจะชวนพวกเราไปเเที่ยวนี้นะกลับมาเที่ยวนี้พอทําไมโปรแกรมหลวงพ่อต้องกลับมาวันที่วันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดใช่ไหมแต่ต้องกลับมาวันที่ยี่แปดเพราะอะไร เพราะในช่วงที่จัดดิทิตอยู่ที่ทราชวิการดยที่สุดท้ายนีย่คุณสุขคิดติดต่อไปเรืงว่าหลวงพ่ออยู่ที่เมืองไทย ต, ต่อไปหลวงพ่อเราจะจัดดิทิตนำร่องเกี่ยวกับาการสร้างความสุขมวลรวมประชาชาติเพราะโมเดลนี้เกิดที่ภูฐานแล้วกลุ่มของฝรั่งทางชาวแคนาดา เพลงว่าความสุขมวลรวมประชาชาติที่ภูฐานได้ทําขึ้นเนี่ยมันจะหายไปโดยที่ไม่มีการสืบสารหรือขยายความขยายผลฝรั่งกลุ่มนี้เลยเข้ามาฝังตัวทําวิจัยอยู่หลายปีแล้วในที่สุดมันตกผลึกเขาเลยเอามาทดสอบในประเทศไทยเป็นประเทศแรกจะจัดทาที่เชียงใหม่แต่การทําความสุขมวลรวมในพิธีพุทธเพราะว่าภูฐานเนี่ยเป็นพุทธร้อเปอรเ็นแต่พวกเราพุทธ แค่เ้าสิ้าเเใช่ไหมเขาจริงทำสำเร็จเพราะคิงคนที่เสียงเขาเนี่ยพ่อของคิ ง, คงจีกมี่เนี่ยเขาเข้าป่าปฏิบัติธรรมพอเขาออกจากป่ามาจึงมาสร้างทฤษฎีอันนี้ขึ้นมาเพราะทั่วโลกวัดความเจ้าหน้าทางเศรษฐกิจใช่ไมที่เรียกว่า GDP growth development อุดักแต่พอคิงองนี้ ของพู้ฐานออกมาความสุขของมนุษย์ไม่น่าจะอยู่ที่การมีความสุขจากสิ่งที่ผลิตถานวัตถุผลผลิตทางวัตถุแต่ผลผลิตทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการแต่ทำไมถึงไปสร้างวัตถุขึ้นมาเขาก็เลยไาสร้างใหม่เป็นทฤษฎีของ Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประชาชาติเขาทำได้สาเร็จเขาก็เลยเอาทฤษฎีเนียมาลงที่ภาคเหนือทางเชียงใหม่ แล้วเขาก็เลือกจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดแรกำอำเภอแม่ทาแต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือเนี่ยเขาอยากจะเอากรรมฐานเป็นตัวนําเพราะคนต้นแบบคือพ่ อ, อ, อกระสัดทิพย์ปุ๋เป็นพ่อของจิกกริสัจิกมีเนี่ยเริ่มต้นด้วยกรรมฐานทีนี้เขาก็ถามคุณสมคิดซึ่งเป็น NGO ที่ว่าเป็นเอเจียของแคนาดาคุณสมคิดคุณชัชวาลที่เชองใหม่ที่เป็น G อแล้วก็คุณลิขิตชื่อเล่นคุณกระแต เป็นหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยว่าจะเอากรรมฐานวิธีใดดีได้ข่าวว่าที่กรรมฐานประเทศไทยเนี่ยมีหลายวิธีจะให้ผู้คือเรียกว่าวิธีหนึ่งมาช่วยนําร่องเรื่องนี้เขาจะไปศึกษาคุณสุขีก็โทรหาหลวงพ่อทันทีเลยพูดสารหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเรื่องมันมาอย่างงี้หลวงพ่อว่างไงกนึกว่าหลวงพ่ออยู่เมืองงไทยแถวนั้นนมาไม่มา้อยู่เมืองไทยมาจาัดวิธีอยู่ที่แอนด์ต้านะโอ้ทั้งนั้นทําไงอ่ะ เอาใครพอว่าเอาใครมาช่วยดีนึกถึงคนว่างานนี้เป็นงานอิทูในชแนลคนอื่นไปไม่ได้น่ะก็น้องมาตกกับหลวงพ่อดิองพ่อก็เลยถึงเอางั้นคุณเปลี่ยนตัวให้หลวงพ่อแทนที่หลวงพ่อจะเดินทางวันที่ห้าขอเดินทางก่อนนั้นสักสองสาวันเพื่อมีเวลาพักสักวันหนึ่งขอเลื่อนตัวจากวันที่ห้ามาเป็นวันที่ยี่แปดทั้งนั้นฤทธิที่กัเสร็จวันที่ยี่แปดพอดีก็รีบเดินทางมา ก็มาขึ้นไปเชียงใหม่เลยก็ไปจัดยู่ที่นี่จบเาเสร็จเมื่อวานก็ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็เอาผลรวมที่จัดอที่ห้าสี่ห้าวันไปทำเวิร์กช็อปต่อที่ที่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่ก่อนทำเวิร์กช็อปสี่วันก่อนที่จะไปลงพื้นที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้คือเป็นเหตุอันหนึ่งว่าอ้อการปฏิบัติแบบนี้มันมีผลเขาเลือกเข้าไป แล้วปรากฏว่าในกลุ่มนั้นมีครูผู้ฐานอยู่สามคนเป็นตัวแทนจากผู้ฐานมาเขามาฝึกแล้วเขาชอบวิธีนี้เขาบอกว่าโรงเรียนสัตยาสายของโดเทอร์องคองชุมสายเนี่ยเอาสมาธิเข้าไปสอนในผู้ฐานแต่ปรากฏสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยตามลักษณะเขาจะต้องดิน้นต้องคุยต้องอะไรกันเนี่ยเขานั่งไม่สงบเขาก็ลังหาวิธีใหม่ว่าจะทาไงที่เด็กเยาวชนรับได้ด้วยถ้าผู้ใหญ่ก็รับได้ด้วย เขามาเห็นวิธีการเขาเราบอกปีหน้าเอาไปที่นู่นก็เลยกลุ่มนี้จะมาไปชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่คลุสติเดือนพฤศจิกาก็เลยจะเชิญพวกเรานักเรียนเก่าที่ครุสตินะไปไปชุมร่วมกันเผื่อว่าปีหน้าจะได้ไปผู้ฐานร่วมกันไปสร้างจังหวะไปสอนยมจวดเป็นนักเรียนเก่าต้องไม่ลืวนะงานนี้เพราะฉะนั้นในงานนี้มันก็จะต้องออกไปสู่อินเตอร์ละ ที่พวกเราทําเนี่ยแล้วก็ต้องทําให้จริงจังแล้วต้องชัดเจนด้วยนะแล้วออกไปสู่อินเตอร์นี่จะไปทํามัวม่วๆไม่ได้เลยต้องอะไรเป็นอะไรคนทั้งพวกเราก็จะต้องไม่ต้องไปสัประจำภาษาบาลีอย่างหนึ่งพ่อจําหรอกแต่เอาความสภาวะมันความรู้สึกสบายอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นภาษาบาลีนะความรู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยความรู้สึกซเฉยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสัมผัสมันจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้ความรู้สึกสบายเป็นยังไง ไปวิเคราะห์ความรู nih, ai, wa, tha, tha, tha, inh, à, ้สึกสบายดูมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไงอันนี้บทเรียนสำหรับพรุ่งนี้นะความรู้สึกไม่สบายสภาวะแท้จริงของมันนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรก็ดับไปอย่างไรแต่ความรู้สึกเฉยๆทั้งสบายไม่สบายมันเกิดขึ้นตอนไหนให้ไปวิเคราะห์กันมาอันนี้เป็นบทเรียนพรุ่งนี้เช้าเลยนะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะมาต่อย้ำอีกทีหนึ่งหมดเวลาหรือยัง ในการอยู่ไหน อ, อ่ออ่ออีกหนึ่งนาทีขยายสักสองทุมครึ่งเนาะเพื่อจะได้ถามกันตรงที่หลวงพ่ว่ามาทั้งหมดเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะทั้งคนเก่าคนใหม่นะแต่คนใหม่นะี่ยังรังเลอยู่เพราะยังไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นในทฤษฎีคนใหม่สิบกว่คนเนี่ยก็จะ พยายามดูแลเป็นพิเศษแต่สําหรับที่คนเคยปฏิบัติมาแล้วก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งในทฤษฎีเดียวกันเดีว่าสองหลักสูตรสรุปผู้ผู้เก่าจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาแล้วเคยเก็บอารมณ์มาแล้วคือเก็บอารมณ์เข้มมาแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มครึ่งเก่าครึ่งใหม่ก็คือเคยปฏิบัติ มาแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้เก็บอารมณ์เข้มขึ้งเก่าขึ้งใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มเก่าก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มใหม่ก็จะมีสองหนึ่งคนใหม่เพิ่งเข้ามาแต่ยังไม่เคยเข้าคอสแบบนี้มาปฏิบัติข้างละวันสองวันสามวันที่นู้นฟังมาบ้างอะไรบ้างแต่ยังไม่มานั่งปฏิบัตินี่ถึงเจ็ดวันก็ถือว่าเป็นคนใหม่แล้วคนใหม่จริงๆที่ยังไม่เคยเข้าคอสที่ไหนเลยนะฮะ อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นสี่กลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มครึ่งเก่าครึ่งใหม่แล้วเป็นกลุ่มใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ใหม่จริงๆก็จะเป็นสี่กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นสี่หลักสูตรในดุลีที่เดียวกันเพราะฉะนั้นในโซนนั้นทั้งหมดเป็นโซนของพระแล้วก็เโยมผู้ชายตั้งแต่นี้ขึ้นไปนะแล้วก็โซนตั้งนี้ไปทั้งนู้นทั้งหมดเป็ น, นพ่อโยมผู้หญิงเยอะกว่าเนอ้อชุพ่าบุรุษกี่ท่านพรุ่งนี้ขอทะเบียนด้วย อ่าได้มาแยกเนาะแยกให้คุณจีดถวายนะว่าอยากให้คุณเปิลกับคุณกนกพรไปช่วยคุณจีดทำบัญชีด้วยว่าคนเก่ากลางเก่ากลางใหม่นี่กี่คนคนเก่าจริงๆรที่เก็บอารมณ์มายกี่คนอาเบอรไปสี่กลุ่มกลางเก่ากลางใหม่กี่คนห้าบ้างแต่ยังไม่เคยเก็บอารมณ์คนเก่าคือคนคือเก็บอารมณ์ด้วยปฏิบัติมานานด้วย แล้วก็คนที่ปฏิบัติเพิ่งปฏิบัติยังไม่ได้เก็บอารมณ์อ่าแ้วก็จะมีสี่กลุ่มเหมือนกันมันก็จะมีสี่หลักสูตรที่นี่ในที่เดียวกันอันนี้เหรอกลุ่มเกา่าไม่ใช่กลุ่มเก่าเนี่ยเก่าแล้วเรียกกลุ่มเกา่าจริงๆนี่นะฮะกลุ่มเก่านี้โดนหนักกว่าเพิ่นเลยนะดหลักสูตรหนักกว่าเพิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเก่าจะหมายความว่าโอ้ แก่เกินแกงอะไรตรงนั้นหรือเ่าขอโทษนะเพราะฉะนั้นแต่ก็มีหลักสูตรนะมีหลักสูต ร, รเราจะต้องศึกษากันคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะมันเป็นสมัยที่ไฮเทคสมัยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องต้องแม่นยำชัดเจนจะทำมั่วๆไปวันมันไม่ได้แล้วเวลามีค่าคุณจะมานั่งทำให้ผ่านไปนวันๆโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเสียเวลา หงพ่อเทียนเอาหนักเสียน้ําเสียไฟคุณไม่ต้องมาอยู่กับฉันเลยแล้วน้องนะหลวงพ่อเทียนขนาดนั้นเลยลนะปีนั้นนะฟันว่ามัาในเทปเลยนะคุณไปทางอื่นได้เลยนะคุณไม่ทางใจเนีเสียน้ําเสียไฟเสียที่อยู่งั้นเออไม่ใช่ธรรมาดาเนะหลวงพ่อเห็นที่คุณข้าวของเวลามากดังนั้นอาตมาเองทําในนามของท่านนะก็คงจะต้อง่าต้องทำให้ชัดเจนนะไม่งั้นเสียชื่อท่านหมด แต่ว่าจะได้ผลอย่างไรไม่ได้ผลเลยจะว่ามาไม่ได้นะอยู่ที่โยมละ่ะศึกษาถูกหรือไม่ถูกเอาหรือไม่เอาจริงหรือไม่จริงอามามีพุทธเจ้าท่านบอกอาขาตาโรขากาตาใช่ไหมฉันบอกทางเธอเท่านั้นนะ่ะเรื่องทางเธอจะเดินทางถูกถ้าผิดวิเล่ของเธอน ะ, อะถ้าหากว่าเธอเดินทางอย่างฉลาดและแยบค้ายแยบค้ายแล้วโอเคอาจจะไปถูกจะบอกแล้วไม่ฉลาดเดินแล้วก็เดินแบบไม่ ได้ถูกต้องอย่ามาโทษฉันไม่ได้นะเธอเธอเดินเดินของเธอเองนะอันนี้ก็คือท่นฝากเอาไว้ตรงเข้าใจนะทั้งหมดนะทีนี้เอาล่ะใครมีอะไรข้องใจถามก่อนพอพรุ่นี้เป็นวันมาฆะอาจจะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนาะอาจจะก่อนเพลนอาจจะดักบาสนิดหน่อยเอาข้าวที่หุงรอบมาใส่ถ้วยแจกกันอ่าทําพิธีถวายข้าวนิดหน่อยก่อนเพลนแต่เช้าก็เรื่องอาหารเบาๆหน่อย ย่านเยอ ะ, อะตามุติที่ดิทิตสุดท้ายที่และชีวิการหลวงพ่อช่วงเช้าให้ข้าวโอ๊ตมิลเอาข้าวโอ๊ตปรตต้มแช็กคนละแก้วพ อ, อตอนตลวันทานเดียวผลไม้กับสลัดไม่มีข้าวเลยเบาแล้วก็เนื่องจากเป็นคนเก่าทั้งนั้นนะเราจะทำไงก็ได้นะเพคนเก่านี้พร้อมที่ศึกษา <c oughs> ผลออกมาดีมากเลยก็มีการพัฒนาน อาหารนี่สำคัญเพราะว่าเรากินมาตลอดชีวิตนะก็ให้มันเบาลงบ้างเพื่อการศึกษานะไม่ได้คุณไม่ได้อดตลอดชีวิตนะเพื่อการศึกษาศึกษาว่าเออถ้าวันทองเอามาตอนหลังมาก็เลยลดอาหารว่าเออจะทานอาหารเมื่อตอนหิวถ้าไม่หิวก็ไม่ทานนะเราจะได้ถ้าทานอาหารตอนหิวได้คุณภาพสองอย่างหนึ่งไม่เกินสองลอดฮอร์โมนมันหลังอ่า แต่ถ้าคุณตอนทานไม่หิวเนี่ยหนึ่งทานตามความอยากแล้วก็ลดฮอร์โมนไม่มีโอกาสได้หลังเพราะถ้าคนกินมากแก่ไวเพราะโกรธฮอร์โมนหลังน้อยต้องกินตอนหิวได้จะหนุ่มขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรโกรธฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนคือสารสําหรับเด็กอ่ะที่มันเพิ่งเติบโตนะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือหลักวิทยาศาสตร์เอาเข้ามาช่วยด้วยในเรื่องการกินแล้วก็ออกกําลังกายทั่งเช้าจะลงมีใครบ้างสงสัยมีไหมตท้งคำถาม เข้าใจหมดทุกคนนะก็ขอนุโมทนาสาธุที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าหลวงพ่อได้ทําการวิเคราะห์วิจัยมาอย่างดีแล้วว่ามันต้องอย่างนี้แหละตัวเองได้รับผลมาแล้วแต่ว่าเราเอามาทําเป็นหลักสูตรให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นในโอกาสที่นี้เราก็ถือว่ามาปฏิบัติเพื่อบูชาในวันมาฆบูชาพระพุทธเจา้าเป็นโอกาสพิเศษ แตว่านั้นเราต้องจงตั้งใจปฏิบัติให้เข้าใจให้ถูกต้องเพื่อเข้าถึงถึงสภาวะที่ อ, อยู่เหนือสุขเหนือทุกโดยการทุกคนทุก ท, กทานคือน